พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ความรักย่อมมีแก่ผู้มีความเกี่ยวข้องทุกนี้ย่อมเป็นไปตามความรักบุคคลเมื่อเพ่งเห็นโทษอันเกิดจากความรักจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลเมื่ออนุเคราะห์มิสหายผู้ใจดีมีใจผูกพันย่อมทาประโยชน์ให้เสื่อมไปได้ บุคคลเมื่อเพ่งเห็นภัยในความเฉยชิดจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนน่อแรกพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ก็ภัยกว้างใหญ่เกาะเกีเ่ยวกันไว้ฉันใดความห่วงใยในบุตรและทาระก็กว้างใหญ่เกาะเกีเ่ยวไว้ฉันนั้นบุคคลเมื่อไม่เกี่ยวข้องเหมือนน่อไผ่จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก พระปเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้เนื้อในป่าไม่ได้ถูกผูกมัดไว้ย่อมเที่ยวหาอาหารได้ตามความพอใจชั้นใดวินยูชนเมื่อเพ่งเห็นธรรมที่ให้ถึงความเสรีจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งเปล่งอุทานดังนี้ในถ้ำกลางสหายย่อมมีการปรึกษากัน ในเรื่องที่อยู่เรื่องการดำรงตนเรื่องการไปเรื่องการเที่ยวจาริกบุคคลเมื่อเพ่งเห็นการบูชรที่ให้ถึงความเสรีที่พวกคนผานไม่มุ่งหวังจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปัจเจกสำพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ในถ้ำกลางสหายย่อมมีการเล่นมีความยินดีและในบุตรก็ย่อมมีความรักอันไพบู์ บุคคลเมื่อรังเกียจความพัดพราจากสิ่งเป็นที่รักจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัเจกษัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งเปล่งอุทานดังนี้พระปัเจกษัมพุทธเจ้าแผ่เมตตาไปทั้งสีทิศไม่ขัดเคืองยินดีด้วยปัจใจตามมีตามได้ครอบงำอันตรายทั้งหลายและไม่หวาเสียวจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก พระปจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้แม่เบิลปชิต พ, พวกหนึ่งและครหัะทึกกำลังคลองเรือนสงเคราะห์ได้ยากบุคคลพึงเป็นผู้ขนควายน้อยทั้งในผู้อื่นและในบุตรจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าผู้กล้าหาญลงเครื่องหมายเครหัทแล้ว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 พระปจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแคว้นที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่พระองค์เดียวและเหมือนช้างมาตังคะละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้น พระปเจกสะสมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้เราสันเสริญสหายสัมปทาโดยแท้บุคคลควรคบสหายผู้ประเสริฐสุดหรือผู้เสมอกันถ้าบุคคลไม่ได้สหายเหล่านี้พืงเป็นผู้บริโภคปัจใจอันไม่มีโทษจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปเจกสะสมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลเห็นกาไรทองสองวงอันสุกพลัง ที่ช่างทองทำสำเร็จอย่างดีกระทบกันอยู่ที่ข้อมือแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปัจเจ ก, กสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งเปล่งอุทานดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้การกล่าววาจาหรือความเกี่ยวข้องกับเพื่อนพึงมีแก่เราบุคคลเมื่อเพ่งเห็นภายนี้ต่อไปจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจ ก, กสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ เพราะการามทั้งหลายสวยงามมีรสอร่อยน่าเรื่นเริงใจยั่วยวนจิตด้วยอารมณ์หลายรูปแบบบุคคลเห็นโทษในการามคุณแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้คำว่าการามนี้เป็นอันตรายเป็นดุจฝีเป็นอุปทวะเป็นโรคเป็นดุจลูกศรและเป็นภัยบุคคลเห็นภัยนี้ในการามคุณแล้ว จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระประเจ ก, กสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลครอบงำภัยทั้งปวงเหล่านี้คือความหนาวความร้อนความหิวความกระหายลมแดดเหลือบและสัตว์เลื้อยคลานแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระประเจ ก, กสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ พระประเจกสัมพุทธเจ้าละทิ้งหมู่มีขันเกิดดีแล้วมีดอกบัวคือธรรมเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในป่าตามความชอบใจได้เหมือนนาคะละทิ้งโขลงแล้วอยู่ในป่าได้ตามชอบใจจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระประเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลสัมผัสวิมุติใดซึ่งเกิดขึ้นตามสมัยวิมุตินั้น เป็นไปไม่ได้สำหรับบุคคลผู้ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะบุคลคลใคร่ครวนถ้อยคาของพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์แล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าประพฤติล่วงทิฐิอันเป็นเสียนน้าถึงนิยามได้เฉพาะมรรคแล้วเป็นผู้มียานเกิดขึ้นแล้ว ไม่ต้องให้ผู้อื่นแนะนำจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนน่อแรดพระประเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระประเจกสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่โลภไม่หลอกลวงไม่กระหายไม่มีความลบหลูก่กำจัดกาสาวะกิเลสดุดน้ำย้อมและโมหะได้แล้วไม่มีความหวังในโลกทั้งปวงจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก พระประเจ ก, กสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลพึงละเว้นสหายชั่วผู้ไม่เห็นประโยชน์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมที่ผิดไม่พึงครบคนผู้ขนขวายและผู้ประมาทด้วยตนเองจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปัเจ ก, กสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลพึงครบิตรผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมผู้ยิ่งใหญ่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 พระปจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปจเจกสัมพุทธเจ้าละทิ้งบุตรพัญยาบิดามานดาทรัพย์ธั ญ, ญชาตพวกพ้องและกามตามส่วนแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้กามนี้เป็นเครื่องข้องมีความสุขน้อยในกามนี้มีความยินดีน้อยมีทุกข์มาก ผู้มีปัญญ า, ารู้ว่ากามนี้เป็นดุจขอเหล็กแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัเจกสัมพุทธเจ้าทําลายสังโยชน์แล้วเหมือนสัตว์น้ําทําลายคลายและเหมือนไฟไม่เชื้อมอดหมดไปแล้วไม่กลับมาจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปัเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้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 พระประเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระประเจกสัมพุทธเจ้าละนิวรณ์ห้าอย่างขจัดอุปกิเลธแห่งจิต ท, ทั้งปวงได้แล้วไม่อิงอาศัยตัดความรักและความชังได้แล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระประเจกสัมพุทธเจ้าละทิ้งสุขและทุกข์โสมนัสโทมนัสก่อนๆได้แล้ว ได้อุเบกขาและสมถะอันสะอาดแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนน่อแรกพระประเจจรกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระประเจจกสัมพุทธเจ้าตั้งความเพียรเพื่อบรรลุประโยชน์อย่างยิ่งมีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกียรคร้านมีความบากบันมั่นคงเข้าถึงเรี่ยวแรงและกำลังแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด พระประเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระประเจกสัมพุทธเจ้าไม่ละการหลีกเร้นและชานประพฤติทธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นนิจพิจารณาเห็นโทษในภพแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรตพระประเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระประเจกสัมพุทธเจ้าปราถนาความสิ้นตัณหาไม่ประมาทไม่โง่เขลาคงแก่เรียนมีสติ ผู้มีสังขาตธรรมผู้แน่นอนมีความมุ่งมั่นจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระประเจจรสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระประเจจรสัมพุทธเจ้าไม่สะดุ้งในเพราะเสียงเหมือนราชสีไม่ติดข่ายเหมือนลมไม่เปียกน้ำเหมือนบัวจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระประเจจรสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ ควาสีหราชมีเขี้ยวเป็นกําลังขมขี่ครอบงำเนื้อทั้งหลายเที่ยวไปฉันใดพระปัเจกสัมพุทธเจ้าก็มีปัญญาเป็นกําลังครอบงำบุคคลทั้งหลายด้วยปัญญาใช้เสนาสนะอันสงัดจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระประเจกสัมพุทธเจ้าเสพอาศัยเมตตากรุณา มุทิตาและอุเบกขาอันเป็นวิมุติตามการสัตว์โลกทั้งปวงไม่ได้เกลียดชังจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระประเจ ก, กสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระประเจ ก, กสัมพุทธเจ้าและราคะโทสะและโมหะทำลายสังโยชน์ได้แล้วไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด พระประเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ทุกวันนี้มิตรทั้งหลายมีประโยชน์เป็นเหตุจึงครบและเสพด้วยมิตรที่ไม่มุ่งประโยชน์หาได้ยากมนุษย์ทั้งหลายมีปัญญามุ่งประโยชน์ตนไม่สะอาดพระประเจกสัมพุทธเจ้าจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดค ข, ขวิสานสูตรที่สาจบ 4. กสิภารทวาชะสูตรว่าด้วยภารทวาชพรามผู้เป็นชาวนาข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะทักขินาคีรีมหาวิหารใกล้หมู่บ้านพรามชื่อเอกนาลาแคว้นมคตสมัยนั้นในฤดูหวานข้าว กสิภารัววชพราหมณ์ได้ประกอบไถจํานวนห้าเล่มเตรียมไถนาครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวอนเสด็จเข้าไปยังที่ทำการงานของกสิภารัตวชพราหมณ์ขณะนั้นกสิภารัววชพราหม์กำลังเลี้ยงอาหารกันอยู่พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังสถานที่เลี้ยงอาหารของเขาแล้ว ประทับยืนอยู่ณที่สมควรกสิพาระทวชพรามได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับยืนบิณฑบาตอยู่จึงกราบทูลดังนี้ว่าท่านพระสมณนะเข้าไเจ้าไยและหวานครั้ไนไถ แ, และหวานแล้วจึงบริโภคท่านพระสมณะแม้ท่านก็จงไถและหวานครั้นไถและหวานแล้วจงบริโภคพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราม แม้เราก็ไถและหวานครั้นไถและหวานแล้วจึงบริโภคประสิภาระทวชพรามทูลถามว่าท่านพระสมณะเขาพระเจ้าไม่เห็นแอกไถผานประตักหรือโคทั้งหลายของท่านพระโคดมเลยถึงกระนั้นท่านพระโคดมยังพูดอย่างนี้ว่าพรามแม้เราก็ไถและหวานครั้นไถและหวานแล้วจึงบริโภคลำดับนั้น ประสิภาระทวชพรามได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านปฏิญญาว่าเป็นชาวนาแต่ข้าพระเจ้าไม่เห็นสัมภาระแห่งการไถของท่านเลยท่านผู้เป็นชาวนาข้าพระเจ้าถามแล้วขอจงบอกข้าพระเจ้าจะรู้สัมภาระแห่งการไถของท่านได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ศรัทธาเป็นพืชความเพียรเป็นฝน ปัญญาของเราเป็นแอกและไถหิริเป็นงอนไถยใจเป็นเชือกสติของเราเป็นผานและประตักเราคุ้มครองกายคุ้มครองวาจาได้แล้วสำรวมในการบริโภคอาหารเราได้ย่าคือวาจาสับปรับด้วยคำสัตย์โสรัจจะของเราช่วยทำงานให้สำเร็จความเพียรของเราช่วยนำธุระไปให้ถึงความเกษมจากโยคะ นำไปไม่ถอยหลังนำไปถึงที่ซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกเราไถนาอย่างนี้นาที่เราไถนั้นมีผลเป็นอมตะบุคคลครั้นไถนาอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ลำดับนั้นกสิภารัตวาชพรามเทข้าปายาใส่ทาสมฤทธิ์ใบใหญ่แล้วน้อมถวายพระผู้มีพระภาคพร้อมกับกราบทูลว่า ขอท่านพระโคโดมจงบริโภคข้าวปลาย่าเถิดเพราะท่านผู้เจริญทรงเป็นชาวนาทรงไถนาอันมีผลเป็นอมตะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เราไม่บริโภคโภชนะที่ได้มาเพราะการขับกล่อมพราหมณ์ทำนั้นไม่ใช่ธรรมของผู้พิจารณาพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับโภชนะที่ได้มาเพราะการขับกล่อมพราหมณ์เมื่อธรรมมีอยู่ การเลี้ยงชีพแบบนี้ก็ยังมีอยู่อันหนึ่งท่านจงบำรุงพระขีนาศพผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีความขนองสงบแล้วด้วยข้าวและน้ำเพราะว่าการบำรุงนั้นเป็นเขตบุญของผู้สแสวงบุญกษิสพาราธวาชพรามทูลถามว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจะนาข้าวปลายาินี้ไปถวายใครเล่า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์เราไม่เห็นใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่บริโภาคข้าวปายาดนั้นแล้วจะให้ย่อยได้ตามปกตินอกเสียจากตถาคตหรือสาวกของตถาคตเท่านั้นพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นท่านจงนําข้าวปลายาดนี้ไปเททิ้งบนพื้นดินที่ปรจาจจกต้นไม้ใบหญ้า หรือเทลงในน้ําที่ไม่มีสัตว์อาศัยอยู่เถิดลําดับนั้นกษิพาราตวชะชพรามจึงนําข้าวปลายาสนั้นไปเททิ้งลงในน้ําที่ไม่มีสัตว์อาศัยอยู่พอข้าวปลาญาสนั้นถูกเทจมลงในน้ําก็เกิดเสียงดังแช่แช่ปรากฏควันขมงคลุ้งขึ้นรอบด้านเหมือนก้อนเหล็กที่ถูกเผาไฟให้ร้อนอยู่ตลอดวันแล้วถูกนําไปหย่อนลงในน้ํา ก็เกิดเสียงดังแช่แชะปรากฏดควันขมวงคลุ้งขึ้นรอบด้านฉะนั้นเมื่อเห็นดังนั้นพระสิพารัตวชพรามจึงสลดใจเกิดอาการขนพองสยองกล้าวตรงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับมอบลงแท้พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาค พ, พร้อมกับกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพาสิทธิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก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 ขอท่านพระโคโดมจงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตข้าแต่ท่านพระโคโดมข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของท่านพระโคโดมด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ากะสิภารัตวาชาพราหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคหลังจากอุปสมบทแล้วไม่นาน ท่านพระพารัวาชะจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุธิกายและใจไม่นานนักพาะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ลแล้วทากิจที่ควรทาเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระภารทวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายกสิพารัทธวาชะสูตรที่สี่จบ จุนทสูตรว่าด้วยปัญหาของนายจุนทะกรรมรบุตรนายจุนทะกรรมรบุตรทูลถามปัญหาดังนี้ข้าพระองค์ขอทูลถามพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีมีพระปัญญามากทรงเป็นเจ้าของพระธรรมปราศจากตันหาทรงเป็นผู้ประเสริฐสุดในบรรดาสรพสัตมีสัตว์สองเท้าเป็นต้นทรงเป็นผู้เลิกกว่านายสารถีผู้ฝึกทั้งหลายว่า ในโลกนี้มีสมณะอยู่กี่จำพวกขอพระองค์โปรดตรัสบอกให้ข้าพระองค์ทราบด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้จุนทะสมณะมีอยู่สีจำพวกไม่มีสมณะจำพวกที่ห้าเราถูกท่านถามต่อหน้าอย่างนี้ก็จะชี้แจงให้ท่านทราบสมณะสีจำพวกนั้นคือหนึ่งสมณะผู้ชนะกิเลสทั้งปวงด้วยมรรค 2. สมณะผู้แสดงมักแก่ชนเหล่าอื่น 3. สมณะผู้ดำรงอยู่ในมัก 4. สมณะผู้ประทุสร้ายมากักนายจุนท่ากรรมระบุรทูลถามปัญหาดังนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบัญญัติเรียกสมณะผู้ชนะกิเลสทั้งปวงด้วยมักว่าอย่างไรทรงบัญญัติเรียกสมณะผู้มีปกติเพ่งมกักไม่มีผู้เปรียบเทียบนั้นว่าอย่างไร ทรงบัญญัติเรียกสมณะผู้ดำรงอยู่ในมรคนั้นว่าอย่างไรทรงบัญญัติเรียกสมณะผู้ประทุษร้ายมรคนั้นว่าอย่างไรข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงชี้แจงแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบัญญัติเรียกสมณะผู้ข้ามพ้นความสงสัยได้เด็ดขาด ปราศจากกิเลสดูดลูกสอนยินดียิ่งในนิพพานไม่ติดอยู่ในตัณหาผู้แนะนำสั่งสอนชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกว่าเป็นสมณะผู้ชนะกิเลสทั้งปวงด้วยมักภิกษุใดในธรรมวินัยนี้รู้ว่านิพพานเป็นบรมธรรมแล้วบอกเปิดเผยนิพพานธรรมในธรรมวิ น, นัยนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบัญญัติเรียกภิกษุผู้ตัดความสงสัยได้แล้ว เป็นมุนีไม่มีตันหาทําให้วันไหวนั้นว่าเป็นสมณะจาพวกที่สองผู้แสดงมักภิกษุใดเป็นผู้สํารวมแล้วมีสติเสพ บ, บทอันไม่มีโทษดํารงอยู่ในมักคือบทแห่งธรรมที่แสดงไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบัญญัติเรื่องภิกษุนั้นว่าเป็นสมณะจําพวกที่สามผู้ดํารงอยู่ในมัก ภิกษุใดทำตนเรียนแบบพระอริยะผู้มีวัดดีงามชอบเอาหน้าประทุษร้ายตระกูลขนองกายวาจาใจมีมายาไม่สำรวมพูดเพ้อเจอ้อภิกษุผู้เที่ยวเรียนแบบจัดเป็นสมณะจำพวกที่สผู้ประทุษร้ายมักอันหนึ่งเคราหัสผู้ได้สดับแล้วเป็นอริยสาวกมีปัญญารู้ซึ้งถึงลักษณะ ส, สมณะทั้งสี่จำพวกนั้น แล้วรู้ว่าสมณะทั้งหมดไม่เป็นเช่นนี้เพราะเห็นเช่นนี้ศรัทธาของเขาจึงไม่เสื่อมไปเพราะเห็นว่าบุคคลจะทําสมณะผู้สมบูรณ์ด้วยศีลให้เสมอกับสมณะผู้ทุศีลและสมณะผู้บริสุทธิ์ให้เสมอกับสมณะผู้ไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไรเล่าจุนทัสูที่หจบ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 เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าพระองค์มาทูลถามถึงคนผู้มีแต่ความเสื่อมกับพระผู้มีพระภาคผู้โคโดมว่าอะไรเป็นทางแห่งความเสื่อมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่าย ผู้เจริญไคร่ธรรมผู้เสื่อมชังธรรมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่หนึ่งข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่สองว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนที่มีอาศะบุรุษเป็นที่รัก ไม่ทำสั์บุรุให้เป็นที่รักชอบใจทำของสัปบุรุษนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่สองข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่สามว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ คนผู้ชอบหลับอยู่เสมอชอบสมาคมไม่ขยันหมั่นเพียรเกียดคร้านโกรธง่ายนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดํารัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่สามข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่สว่าเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนผู้มีความสามารถเลี้ยงตนและผู้อื่นได้แต่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่ชราผู้ผานวัยหนุ่มวัยสาวแล้วนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมทเท ว, วดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่สี่ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่หว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนผู้กล่าวมุสาวาสหลอกลวงสมณะหรือพราหมณ์หรือแม้กระทั่งวนิพกยาจกอื่นๆนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดารัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้น เป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่หข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่หว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนผู้มีทรัพย์มากมีเงินทองของกินเหลือเฟือกินของอร่อยเพียงคนเดียวนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่6กข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่7ว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนกระด้างเพราะชาติกระด้างเพราะทรัพย์และกระด้างเพราะโคดชอบดูหมิน ญ, ญาของตนนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม เทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดารัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่7จ็ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่8ว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนผู้เป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราและนักเลงการพนัน ชอบล้างผลาญทรัพย์สมบัติที่ตนหามาได้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่8ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่9ว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ คนผู้ไม่ยินดีพัญญาของตนชอบเที่ยวหญิงแพร่สยาชอบคบชู้สู่สาวพัญญาคนอื่นนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดารัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่9ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่สิบว่าเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ชายแก่ได้หญิงสาววัยรุ่นมีทันเท่าผลมาพลับมาเป็นพันยามักจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะความหึงหญิงสาวรุ่นนั้นนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่สิบข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่อว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนแต่งตั้งหญิงหรือชายผู้เป็นนักเลงใช้ใจ่ายเงินทองฟุ่มเฟือยไว้ในความเป็นใหญ่นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่อ ค่าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่12ว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนผู้เกิดในคติยะตรกูลมีโภคะน้อยแต่มีความมักใหญ่ไฟสูงปรารถนาจะครองราชนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนิอันประเสริฐ พิจารณาเห็นทางแห่งความเสื่อมในโลกดังกล่าวมานี้แล้วท่านย่อมครบโลกที่เจริญแน่นอนปาราภวสูตรที่หจบเจ็ดวัละสูตรว่าด้วย ลักษณะนคนเลวเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถเปนิกาเศษรษฐีเขโครงสาวัตครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังโครงสาวัติสมัยนั้นที่บ้านอากิระารัตวาชะพราม มีการจุดไฟเตรียมทำพิธีบูชาไฟพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวบินทบาทมาตามลำดับตรอกในกรุงสาวัตถีจนเสด็จเข้าไปถึงนิเวศของอาคิกะพารทวาชะพรามอาคิกะภารัวาชะพรามได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลทีเดียวจึงได้กล่าวดังนี้ว่าหยุดอยู่แค่นั้นแหละคนหัวโลนหยุดอยู่แค่นั้นแหละสมณนะ หยุดอยู่แค่นั้นแหละคนเลวเมื่อพรามกล่าวอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรามท่านรู้จักคนเลวหรือธรรมที่ทำให้เป็นคนเลวหรือไม่อาคิกะพารัวาชาพรามตอบว่าท่านพระโคโดมข้าพระเจ้าไม่รู้จักคนเลวหรือธรรมที่ทำให้เป็นคนเลวดีละถ้าท่านพระโคโดมรู้ก็จงแสดงธรรมให้ข้าพระเจ้ารู้จักคนเลว หรือธรมที่ทำให้เป็นคนเลวบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหม์ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวอาคิกะพารัตวัชพราหม์ทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสพระดารัสนี้ว่าคนมักโกรธชอบผูกอาฆาตชอบรบหลูดูมินเห็นผิดเป็นชอบมีมายา พึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้ชอบเบียดเบียนสัตว์ทุกจําพวกในโลกนี้ไม่มีความเอ็นดูในเพื่อนมนุษย์และสัตว์อื่นพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้ชอบทําลายชีวิตผู้อื่นเที่ยวปล้นสะดมถูกประนามว่าเป็นโจรปล้นฆ่าชาวบ้านร้านตลาดพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนเที่ยวลักขโมยทรัพย์สินเงินทองที่เจ้าของห่วงแหนไม่ได้ให้ ในบ้านหรือในป่าก็ตามพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนกู้หนี้ยืมสินเขามาแล้วถูกทวงกลับกล่าวว่าไม่ได้ยืมลบหนี้ไปเสียพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนดักฆ่าหรือทําร้ายคนเดินทางจิงเอาทรัพย์สมบัติเพราะความอยากได้ทรัพย์สมบัติเพียงเล็กน้อยของเขาพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนถูกเขาอ้างเป็นพยานแล้วกล่าวคําเท็จ เพราะตนเป็นเหตุเพราะผู้อื่นเป็นเหตุหรือเพราะทรา์เป็นเหตุพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนที่ประพฤติล่วงเกินพันยาของญาติหรือของเพื่อนจะด้วยการข่มขืนหรือด้วยความยินยอมกันก็ตามพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้สามารถเลี้ยงตนเองและผู้อื่นได้แต่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาของตนผู้แก่ชราผ่านวัยหนุ่มวัยสาวแล้วพึงทราบว่าเป็นคนเลว คนผู้ทุบตีดุดามานดาบิดาพี่น้องพ่อตาแม่ยายหรือพ่อผัวแม่ผัวพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนที่ถูกถามถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับบอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือพูดกลบเกลื่อนบอกไม่ชัดเจนพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนทําบาปกรรมไว้แล้วปรารถนาว่าคนอื่นอย่าพึงรู้ว่าเราทาปกปิดการกระทาไว้ พึงทราบว่าเป็นคนเลวคนไปบ้านผู้อื่นถูกต้อนรับด้วยโภชนาหารอย่างดีแต่พอเขามาบ้านตนบ้างกลับไม่ต้อนรับเขาเช่นนั้นพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้กล่าวมุสาวา่าหลอกลวงสมณะหรือพราหมณ์หรือแม้กระทั่งวนิพกยาจกอื่นๆพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนที่เมื่อสมณะหรือพราหมณ์มาบินทบาทแต่เช้า ไม่ถวายอาหารบิณฑบาทกลับดาว่าขับไล่พึงทราบว่าเป็นคนเลวในโลกนี้คนถูกโมหะครอบงำอยากได้สิ่งของเล็กน้อยของผู้อื่นก็พูดจาหลอกลวงเขาเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้ชอบยกตนและดูหมิ่นคนอื่นประพฤติเลวรามเพราะความถือตัวจัดของตนพึงทราบว่าเป็นคนเลว คนโหดร้ายมีจิตใจคับแคบปรารถนาชั่วมีความตรนีโอ้โอวดไม่มีหิริไม่มีโอตปะพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนกล่าวร้ายพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นบนรรพชิตหรือขคฤหัสพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนไม่เป็นพระอรหันต์แต่ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์ชื่อว่า เป็นดุจโจรในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกพึงทราบว่าเป็นคนเลวต่ำช้าที่สุดคนที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้เราเรียก ok ว่าเป็นคนเลวคนจะชื่อว่าเป็นคนเลวเพราะชาติกำเนิดก็หามิดได้จะชื่อว่าเป็นพรามเพราะชาติกำเนิดก็หามิดได้แต่ชื่อว่าเป็นคนเลวเพราะกรรมชื่อว่าเป็นพรามเพราะกรรม ท่านจงรู้ข้อ น, นั้นตามที่เราแสดงนี้คือบุคคลจันทานผู้ปรากฏชื่อว่ามาตังคะผู้ปิ่งสุนัขรับประทานต่อมานายมาตังคะได้รับยศศักดิ์ใหญ่ซึ่งได้แสนยากทั้งกษัตริย์และพราหมณ์จำนวนมากต่างมาสู่ที่บํารุงของเขาเขาขึ้นยานอันประเสริฐไปตามทางใหญ่ที่ไม่มีฝุ่นละอองและการมราคะได้แล้วไปเกิดในพรหมโลก ชาติกำเนิดห้ามเขาไม่ให้ไปเกิดในพรหมโลกไม่ได้พวกพรามที่เกิดในตระกูลสาธยายมนมีหน้าที่ไร่มนแต่ปรากฏว่าพวกเขาทำบาปกรรมอยู่เป็นประจำพรามพวกนั้นถูกตาหนิในชาติปัจจุบันตายแล้วก็ต้องไปทุกติชาติกำเนิดห้ามพวกเขาจากทุกติหรือจากการติเตียนไม่ได้ คนจะชื่อว่าเป็นคนเลวเพราะชาติกำเนิดก็หามิได้จะชื่อว่าเป็นพรามเพราะชาติกำเนิดก็หามิได้แต่ชื่อว่าเป็นคนเลวเพราะกรรมชื่อว่าเป็นพรามเพราะกรรมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอคิกะพารัตวะชะพรามเไดยกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระสิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก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 ขอท่านพระโคโดมจงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงศรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตวสละสูตรที่เจ็ดจบ